เพราะตอนนี้พี่เขากลัวมากจากนั้นเราก็รู้สึกว่ามีคนมากระซิบที่ข้างหูบอกว่าให้มันราให้กูเราก็เลยหันไปบอกพี่แก้วว่าเขาอยากให้พี่ราขอเขมาพี่แก้วสายหน้าไม่เอาไม่รากลัวบอกให้เราราแทนให้หน่อยเราก็ปฏิเสธแต่พี่แก้วก็ขอร้องเราอยู่นานว่าช่วยราให้ทีพี่ไม่กล้า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 เขาจะตามมาทวงคืนอะไรกับเราหรือเปล่าสัมผัสสยอง